นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัตสันาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัตสันาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัตสั ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตบสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้หัดนั่งขัดสมาธิเพรให้ได้ การนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นเป็นอุบายสำคัญคือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นั่งสมาธิภาวนา <c oughs> <c oughs> มากมายแต่ว่าไม่ทำให้จิตใจของพระองค์กล้าหาญ เมื่อมานั่งขัดสมาเ็ิยังกําลังจิตของพระพุทธเจ้ากล้าหารชาญชัยสามารถไม่ท้อแท้อ่อนแอในหวปวใจจึงได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ เพราะการนั่งก็เป็นท่าทางอันหนึ่งที่จะยังจิตใจให้สามารถอาจฐานแต่ว่าการนั่งนั่นแหละเราก็ต้องพินิพพิจารณาถ้ากิเลสง่วงเหงาเหานอนไปนั่งมากก็ยิ่ง ไม่รู้เรื่องต้องเดินจมกลมเดินจมกลมก็เดินให้เหมือนกับพระสมัยก่อนโน้นท่านได้สำเร็จมรรคผลในอิริยาบทเดินจมกลมคือท่านเดินจนเท้าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ คิดตัวเทวาท่านเดินนานขนาดไหนเอาจนเท้าแตกหนังเท้าแตกเมื่อหนังเท้าแตกแล้วท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรต้องคลานเอาเอาเข่าลงไปแทนเท้าเอามือลงไปแทน คานภาวนาพุโทโธในทางจงกลมในพื้นแผ่นดินปัดกวาดสะอาดสะอาดแล้วท่านก็เดินกลับไปกลับมาคานกลับไปกลับมาตอนขานภาวนาพุโทโธนานเท่าไรก็ไม่รู้เลยจนเข่าแตกมือแตกเท่าแตกเลือดไหลคานไม่ได้ ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียนว่ามีทางใดที่จะทำต่อไปอีกท่านก็คิดได้ว่าตอนนอนลงกลิ้งหรอตอนนอนยาวขวางทางจงกลมแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งไปจนสุดหัวจงกลมสุดทาง แล้วก็กลิ้งกลับมาภาวนาพุโทโธตอนที่มาถึงขั้นกลิ้งเอาเนี่แหละไม่แตกที่ไหนเพราะว่าความหนักมันเท่าๆกันแต่คนเราสมัยนี้ยังไม่เห็นองค์ใดผู้ใดมีความเพียรถึงขนาดนั้น บางองค์ก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่ได้เดินแม้แต่ก้าวเดียวก็มีแต่องค์นั่นแล้ว่าเดินมากจนอะไรอะไรก็แตกพอนอนแล้วก็ไม่แตกกลิ้งหรอภาวนาไม่ท้อไม่ถอยคือท่านฝึกจนสติ ความละลึกได้ไม่หลงไม่ลืมจึงได้สำเร็จมักผลในเวลาเดินจงกลรมทีนี้คนเราสมัยนี้นะมันเข้าหลักที่ว่าองค์หนึ่ง ได้สำเร็จในปากเสือองสำเร็จในปากเสือนั้นคือว่าเวลาอยู่วัดอยู่วัดอยู่ธรรมอย่างพวกเรานะ่มันสบายคืนไหนวันไหนก็ไม่ค่อยตั้งใจ นอนเป็นส่วนมากทีนี้มันก็สบายกายก็สบายแต่ว่าจิตมันไม่ไม่สบายเพราะจิตมันไม่ได้ภาวนาเมื่อออกพรรษาฝนหยุดตกหลวงพี่หนุ่มชีห้าองค์ก็ชวนกันไปทุดงภาวนาในป่า ไปลกขมูลสมัยก่อนโน้นมันเป็นสมัยเสือกินคนไม่ใช่สมัยนี้สมัยนี้คนกินเสือไปเดินจมกลมภาวนาในป่าเน็ดเหนื่อยแล้วก็นอนจำวัดไป ประมาณเที่ยงคืนเกิดมีเสือโค้งตะคบองเนี่ยล่องโวยล่องวายขึ้นมาให้พวกเพื่อนช่วยพวกเพื่อนก็เตื่นขึ้นมาจุดไฟมาถึงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของจะช่วยได้เสือโคง้งมันตะคบหลงพี่องค์หนึ่งล่ะ ร้องให้ช่วยเพื่อนทั้งสีองค์ก็มาช่วยบอกบอกว่าเออใครไปช่วยท่านไม่ได้นะ้าไปใกล้ก็ไม่ได้ต้องอยู่ห่างๆพอดีร้องใส่ได้ยินท่านเรียนทำกรรมฐานมาอย่างไรก็ให้เจริญภาวนาได้ไม่มีใครไปช่วยท่านได้ ทั้งสี่องค์ที่เสือไม่ตะคบล่องเป็นแสงเฉียงเดียวบอกอย่างนี้แหละไอะ้ภาวนาลูกเดียวไม่มีทางแก้ชีวิตของท่านมันจบเท่านี้แล้วไม่เหลือไปได้แล้วถ้าพระองค์ใดหานไปช่วยมันก็จะเอาเป็นองค์ที่สองเพื่อนตายไม่มีเพื่อนกินพ่อได้ ตั้งใจได้มันเอเราเนี่ยมันถึงขั้นตายแล้วนึกภาวานาได้แล้วมันสงบเสียงไปพักหนะึ่เสือกับว่าได้ถอยแล้วมันไม่รู้จักบุญจักบาปยัง น, นะเสือกัดกินพอดพอดเรื่อยแล้วตามว่ามันกินแต่เท้าแต่ตีนแข้งขึ้นมาขาขึ้นมา ยังไม่ถึงท้องเลยได้สําเร็จในปากเสือปงกรมาฐานตกเนี่คือว่าเวลาอยู่ดีสบายในที่สบายไม่เร่งภาวนาเมื่อเข้าที่คับขันก็ไม่ต้องการไม่ปรารถนามันก็ได้ แค่นั้นถ้าองค์ไหนเกียตค้านภาวนาละให้ระวังเดี๋ยวจะได้ไปสาเร็จในปากเสือแย่ไปเลยแต่มันสาเร็จจริงๆมันก็ไม่แย่ยิ่งทําให้ได้เข้านิพพานง่าย ต้องไปนอนโรงพยาบาลยากเข้าน อ, นอนในท้องเสือแล้วก็ไปนิพพานเลยไม่มีอะไรที่จะช่วยได้เท่ากับการปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนาเมื่อนั่งสมาธิภาวนาสมถกรรมฐานเต็มที่วิปัสสนากรรมฐานเต็มที่ จนจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงแล้วตายกับยังมันก็เท่าๆกันท่านเลิกได้ท่านละได้ท่านปล่อยวางได้แล้วไม่ไปทุกข์กับธาตุสี่ขันห้าอาญาตนะทางหลาย น, นั่นเราทุกดวงใจให้พากันเอามาคิดมาอา่าน จะได้เร่งรีบปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไม่ต้องไปรอว่าให้แกชลาสิกรเมื่อนั่นเมื่อนี่ไม่ต้องว่าอย่างไรจะตั้งจิตตั้งใจได้เลิกละความโกรธโลภหลงได้ให้เร่งทำ ถ้ามันรับขันเข้ามาจริงๆมันไม่มีเวลาเราต้องเอามันก่อนนั่งภาวนาก่อนแม้ยังเด็กยังหน่มอยู่อย่าไปท่อแท้ออนแอในหัวใจไม่ต้องไปรอให้มันแก่พระสาวกในครังพุทธการ เจ็ดขวบคนเจ็ดขวบสมัยขั้งพุทธกาลขั้งพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพเจ็ดขวบท่านก็ภาวนาเป็นไปได้เพราะท่านตั้งใจท่านเอาจริงๆเราทุกคนก็ให้พากันตั้งใจเด็กก็ไม่ให้ สำคัญว่าเรายังเด็กยังหนุ่มหรือแกชร า, าแล้วก็ไม่ให้ติดให้คล้องคำว่าแกชร า, าธรรมดากิเลสมานสังขารมานมานในหัวใจคนเรามันคอยหาทางแก้ถ้าแกชร า, าก็ว่าปวดหลังปวดเอวนั่งภาวนาไม่ได้หูไม่ดีตาไม่ดี กำลังวังชาไม่แข็งแรงภาวนาไม่ได้มันเป็นข้อแก้ตัวทั้งนั้นไม่ให้มันมีข้อแก้ตัวให้พกักการตื่นขึ้นลุกขึ้นปฏบิบัติบูชาภาวนาเอาจนสงบหลังอับตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาให้ได้ ไม่ให้ใจมันท้อแท้อ่อนแอพระพุทธเจ้าท่านทำได้ปฏิบัติได้ท่านก็เนื้อหนังมนุษย์เหมือนเราเราทุกคนก็เนื้อหนังของมนุษย์ทำไมเรามายึดมัน่นถือมัน่นเกินไปไม่นั่งภาวนาไม่เดินจงกรม ไม่ปฏิบัติ บ, บูชาให้มันเข้มแข็งไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไปช่วยก็ช่วยไม่ได้ช่วยคนไม่ตั้งใจพระพุทธเจ้าช่วยได้ก็คือว่าคนตั้งใจคนภาวานาคนเอาจริง เมื่อได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าภาษาวกเจ้าทั้งหลายแล้วก็ตื่นขึ้นลกขึ้นบำเพ็ญภาวนาขัดข้องก็ศึกษาศึกษาเข้าใจแล้วก็ทำเอาจริงจรงอะ เมื่อทำจริงๆปฏิบัติจริงๆมันจะเหลือวิสัยไปไม่ได้โยในวิสัยทุกคนจะต้องทำได้ปฏิบัติได้คือใจไม่ท้อแท้อ่อนแอนร่างกายนี้มันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา มันมีความแก่ความชราชำรุดสุดโทรมเป็นธรรมดาผมดำแก่มาผมขาวเมื่อเด็กเมื่อนมกำลังกายแข็งแรงเนื้อหนังมังสังเต็มไปหมดเมื่อแก่เท่าชราเยวแห้งกำลังวังทาไม่ดี ลุกก็ปวดเข่านั่งก็ปวดเขา่าลุกก็ร้องโอยนั่งก็ร้องโอยอ น, นั้นใจไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกับสังขารจิตใจให้อยู่เหนือสังขารเมื่อมีความทุกข์ไม่ต้องบ่นให้อดทนเอา อะไรทั้งหมดถ้ามีความอดความทนมีขันตีความอดทนยอมได้ใช้ชนะคนที่ไม่มีความอดทนเจ็บอะไรเป็นอะไรก็บนไปก่อนอ น, นั่นอ่ะเรื่อว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยหนึ่งก็เป็นมาก ถ้าถึงข้าวเป็นมากก็ตายไปเลยเพราะไม่มีความอดทนโลกสิทิพระพุทธเจ้าเพิ่นมีความอดทนเมื่อมีความทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอา ไม่ต้องบอกให้คนโน้นคนนี่รู้ว่าข้าพเจ้าปวดหัวข้าพเจ้าปวดเขียวปดฟันข้าพเจ้าเจ็บนั่นเป็นเน่เขาไม่ถามไม่ต้องบอกจิตใจให้มันเข้มแข็งอยู่ภายในมันจะเจ็บไปถึงขนาดไหนดูมันสินั่งภาวนาดูเดินจมกลมภาวนาดู เดินภาวนาดูมันจะขนาดไหนจิดใจฮะมันอย่าไปท่อแท้อ่อนแอฮะมันกล้าหาญเผชิญกับความทุกข์ความเดือดร้อนในตัวในใจให้ได้ให้นึกเตือนใจว่า ความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันมันบังเกิดมีขึ้นในลูกประขันนั้นมันไม่เลยตายไปได้ที่สุดมันก็แค่ถึงแค่ตายเท่านั้นละมันโลกมันตายเป็นธรรมดาของโลก หน้าที่ของเราผู้ภาวานาปฏบิบัติบูชาจะต้องทำกิเลสในใจนี่ฮะมันตายมันตายก็คือมันไม่ลุกมาทำให้เราเดือดร้อนกิเลสความโกรธไม่ฮะมันมาอยู่ได้ในตัวในกายวาจาจิตของเราทนไปอยู่ที่อื่น โอดดีให้มันไปสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ที่อื่นจะมาเอาขาสองแขนสองของข้าพเจ้ามาสแสดงความโกรธความโลภความหลงไม่เอาไลใ่ให้มันไปไล่ให้มันหนีจากกายวาจาจิตของเรากายวาจาจิตของเราไม่ให้มีกิเลสความโกรธอยู่ในตัวในใจ ไม่ให้มีความโลภอยู่ในตัวในใจไล่ให้มันหนีหมดเจ้าโลภะอย่าไปเชื่อไปหลงมันธรรมดากิเลสตัณหาในใจสัตว์โลกนั้นแน่ ว, ว่าไม่มีเมืองพอต่อให้ เขาเชียงดาวนี้เป็นทองคําทั้งลูกเอามามอบให้คนมีกิเลสลาคะตันหาโลภกิจก็ไม่พอแั่นั้นจึงฆ่ามันเสียทำลายมันเสียละวางมันเสียอย่าไปเชื่อไปหลง มันอยากได้อะไรตัวเองก็ต้องข่มบ้างสอนบ้างอย่าไปอ่อนข้อต่อมันธรรมดากิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสมโหหะมันไม่มีที่พอคนสมัยโบราณเพื่อนอยังหาวิธีสอนมนุษย์ไว้ว่า ในมนุษย์สโลกเหล่านี้นานๆจะมีคนประเภทอยากเป็นใหญ่เป็นโตคือในโลกโลกมนุษย์ที่ไปมาหาโ่กันได้นี่แหละให้ตัวเองเป็นใหญ่เป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่บำเทนทานรักษาสินขอให้ได้เป็นสักชาติหนึ่ง เมื่อบุญกุศล น, นั้นพร้อมพอก็ได้เป็นออย่างนั้นเมื่อได้เป็นแล้วมันก็ยังไม่พออีกเพราะกิเลสตัณหาในใจมนุษย์คนเรามันไม่มีเมืองพอเมืองพอไม่มีเมื่อได้ยังนี่แล้วมันก็อยากได้ยางอื่นต่ อ, ตอไป ตกลงเราพวกพ่ายแพ้ต่อความอยากก็เลยมาเป็นขี้ข่าตันหามาเป็นขี้ข่าตันหาตัวเองเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่เน่นเมื่อในโลกมนุษย์มันได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามใจหวังแล้วความอยากความปรารถนาของพระเจ้าจักรพรรดิราธิราช ก็ยังคืบคานออกไปว่าได้ข่าวว่าเมืองสวรรค์สั้นฟ้ามีอยู่ทํอย่างใดเราจึงจะได้นางฟ้านางดินมาเป็นให้ความสุขสบาย ก็เลยไม่ได้ได้แค่ความคิดอยากได้นั่นแหละเพราะว่าบุญกุศลตนทํามาในความสุขในโลกมนุษย์ไม่ใช่ความสุขในโลกสวรรค์ต่อเลยความคิดที่อยากจะได้ครอบครองเมืองสวรรค์ก็ได้แค่ความคิดนั่นแหละอันนี้คือว่าเพิ่นแต่งเรื่องราวให้เห็น เหมือนเราไปมองกระจกแว่นให้เห็นหน้าอย่างนั้นล่ะอย่าไปเชื่อไปหลงมันเมื่อจิตใจมันเกิดโลภะอันใดขึ้นมาก็ให้หาวิธีดุดาให้ตัวเอง ตัวเองดุด่าให้ตัวเองเอารุนแรงมันก็ไม่โกรธแต่ว่าถ้าให้คนอื่นด่าแล้วไม่ได้ละ่ะโกรธหน้าดำตาแดงถ้าตัวเราคิดผิดพูดผิดทำอะไรผิดผิดเราว่าด่าเองไม่ไม่ว่าจิตมันยอม นั้นเราต้องขู่บ้างปลอบบ้างอะไรให้มันหลายอย่างแล้วก็ให้จิตใจนั่นแหละมีกำลังในการที่จะปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตนั้นรู้จาักการทำบุญให้ทานรู้จักเสียสละ แล้วก็รู้จากรักษาศีลห้าประการขึ้นไปเว้นจากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากลักขโมยเว้นจากประพฤติผิดในกรรมเว้นจากกล่าวมุสาว่าเว้นจากดื่มกินสุราเมลัยฝึกหัดตัวเองให้เลิกละ สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเหล่านี้ให้ได้เพราะว่าสีลห้าก็ดีสีลแปดก็ตามก็คือผู้ใดล่วงเกินข้อสีลเหล่านี้มันเป็นกรรมเป็นเวรจะได้รับทุกขทรมานถึงขั้นตกนรกเดือดร้อนวนวาย แค่นั้นอย่าไปตามใจกิเลสจงลุกขึ้นต่อสู <c> ้ <oughs> ด้วยการนั่งขัดสมาธิต่อสู้ถ้านั่งขัดสมาธิต่อสู้มันยังง่วงเหาเหานอนเราก็ไม่ต้องไปนอนลกขึ้นเดินจงกรมเอาจนมันหายง่วงหายเหงา รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะปฏิบัติได้อย่างนั้นจึงจะเอาชนะใจของตัวเองได้คนเหล่านั้นชนะคนอื่นตั้งหมื่นแสนสู้ชนะตัวเองไม่ได้ใครเอาชนะใจกิเลสของตัวเองได้แล้ววิเศษโดพระพุทธเจ้า พระองค์ไม่เอาชนะใครพระองค์ภาวนาบำเพ็ญทานรักษาศีลเอาชนะใจของพระองค์ทานศีลภาวนากล้าทมกล้าเสียสละพระพุทธเจ้าท่านจึงสา ม, มารถอาจหาน ไม่ทอแท้อ่อนแอในหัวใจไม่ว่าจะเป็นการบุญการกุศลใดๆดพระองค์กล้าทากล้าเสียสละอย่างสมัยหนึ่งขาวทาบุญทาทานกับพระพุทธเจ้าทีปังก่อน จัดถนนหนทางออกพรรษาให้พระพุทธเจ้าเสด็จมามันขาดมีตมอยู่น้อยหนึ่งพอดีคนเรานอนสุดหัวสุดตีนทำอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่สำเร็จยังเหลืออยู่ช่วงคนช่วงวานหนึ่ง ได้เวลาพระพุทธเจ้าที่ปังกรเสด็จท่านก็เสด็จมาตามกิจนิมนต์สุเมธธดาบทพระพุทธเจ้าของเราก็เสียสลัเอาพระวรากายเอาตัวของพระองค์ไปนอนอนอนในขี้โคลนนอนในขี้เปอะขี้ตมเพราะมันยังเหลืออยู่ช่วงหนึ่งพอคนนอนสุดหมวตีนได้ มีมนพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอราหันต้าร้อยเดินไปในหลังของพระสุมเมธนาบทท่านนอนคว่มหน้าเอากระดูกสันหลังขึ้นฟ้าให้พระพุทธเจ้าพระสาวกเยยบย่ำไปจะเปื้อนเปิอะเลอะเทอะก็ช่างมันปอาบน้ำเอาใหม่ นั่นคือแสดงให้เราเห็นว่าอันขึ้นชื่อว่าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงไม่มีชาวโลกเห็นว่ามันเปื่อนเปิดเละเอะเทอะขี่ตรงขี่โรนแต่พระโพธิสัตว์ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กท่านทำได้ จิตใจอันนั้นแหละเวลามันแก่กล้าสามารถแล้วมันตัดบ่วงห่วงอะไรได้เพราะเคยฝึกเคยหัดมามากมายเราทุกคนก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจไม่ว่าตัวเราจะอยู่ในป่าในถ้ำในปุวนในที่บ้านเลื่อนเคหสถานที่ไหนก็ตาม สถานที่มันไม่สำคัญมันสำคัญใจจิตใจจิตใจเสียสละจิตใจตั้งใจประกอบกระทาเอาจริงเอาจาังในที่ไหนก็เป็นที่ทำความเพียนละกิเลสได้เหมือนพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้า ท่านไม่ได้ไปบวชไปเรียนเหมือนกระพุทธิเจ้าภาวนาอยู่ในหอปราสาทท่านก็ภาวนาละกิเลสตัดกิเลสได้ดับขันเข้าสู่นรูปภัณฑได้คือว่าขึ้นอยู่ที่การกระทำเมื่อลงมือทมแล้วท่าน ม, ามันได้ผลถ้ามีแต่คิดหรือมีแต่พูด มีแต่เขียนหนังสือเอาอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำหมดทุกอย่างกายก็ทำวาจาก็พูดทำใจก็คิดภาวนาทำเมื่อกายวาจาจิตมันเข้าถึงเข้าถึงธรรมะการประกอบกระทำมันก็เป็นการ สันเลขกระทำขัดเก้ากิเลสไปในตัวกิเลสกิเลสนั้นมันไม่กลัวคนหัวดำหัวขาวหัวผ้าเหลืองผ้าขาวมันไม่หวาถ้าคนใดเห็นแก่หลับแกนอนเห็นแก่กินสนุกเฮ ห, หากิเลสมันไม่กลัวมันบายหัวได้ทั้งนั้น เราต้องตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาให้จิตใจมันมีกำลังความสามารถอาจหารเหมือนบนหลดนมยกของหนักได้เพราะกำลังกายมีคนที่มีกำลังกายยังสู้คนมีกำลังใจกำลังปัญญาไม่ได้ กำลังใจกำลังปัญญาเรือกว่าสามารถอาหารไม่มีอะไรที่จะมาทัดทานได้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ในวันที่พระองค์จะได้จัดสลู้นั้น ว่าถ้าเราเพียรพยายามนั่งภาวนาจนสุดขีดแล้วยังไม่ได้ตัดเป็นพระพุทธิจ้าเราก็จะเอาที่นี่แหละเป็นที่ตายจะไม่ไปแสวงหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กิเลสตัณหานี่กินต่อไปอีกชาตินี้จะเสียสละ ชีวิตลงไปแรกเลยพระองค์ทำจริงๆทีนี้กิเลตันหามานทิฐิก็ไม่กล้ามาลบกวนพระองค์ได้พระองค์ก็เดีย ว, ว่ากรรมชัยชนะไว้ในกรรมมือต่อจากนั้นมาก็พระองค์ไม่กลัวละบัดนร้รูหน้าตาของมารกิเล แต่ก่อนพระองค์ยังไปเชื่อไปหลงมันอยู่เมื่อพระองค์ได้ตรัสสรู้ธรรมแล้วไม่กลัวไม่กลัวพยามาณพยามาณกิเลสพระองค์เป็นใหญ่ในตัวไม่ขึ้นกับกิเลส กิเลสราคะเป็นเรื่องของเล็กน้อยกิเลสโทสะเป็นเรื่องเรองเล็กน้อยกิเลสโมหะเป็นเรื่องเล็กน้อย เ, เ, เรื่องเลิ ก, ล, กละความโกรธโลภหลงตัดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปพร้อมทางวาสนาสำคัญกว่า พระองค์ก็ตั้งใจบำเพ็ญตลอดจนอายุได้แปดสิบปีดับขันเข้าสู่นารุภาตไม่ต้องมาเกิดเป็นทุกข์เป็นร้อนมากินมาทายวุ่นวายกับปากกับท้องอย่างคนเราทั้งหลายนั่นแหละพระศาสดาาจ า, ารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ มีความสามารถอาจหารเสียจริงๆยังเหลือแต่ใจเราเนี่แหละมันยังขี้เปี้ยอยู่ขี้เปี้ยเสียขาภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่ลงปงกรรมาฐานไม่ตก ก็เลยร้อนอยู่ด้วยกิเลสลาคะร้อนอยู่ด้วยกิเลสโทสะร้อนอยู่ด้วยกิเลสโมหะอภิชฌาตัณหาฉะนั้นให้เราทุกๆคนตั้งใจขึ้นมาอย่าไปมัวกลัวตายถ้ามันกลัวตายอยู่มันก็มาตายแล้วถ้าไม่กลัวตายละมันก็ไม่กลับมาตายอีก อาชาตินี้ค่ัมันแล้วพอแล้วนี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจุดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการลชนี สัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโลกโววินัสตุมาเตภวัตวันตราโย ο. สุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาชิริสนิจังวุธธาปัจจายิโนจตาโรโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภาลัง